เออเป็นเลขารัฐมนตรีลกตร์กบนะอ๋อลกรอมลเอออคมลกิติอํมพลเออเพราะว่าท่านอมคลเนี่ยเคยเป็นโยมแม่แม่คุณแม่ของท่านไปสร้างกุฏิที่วัดหวงหลวงพ่อนะออตแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีเ่ท่านเข้าวัดหลวงพ่อมานมนานเออท่านก็ถามแต่ไมท่านเป็นเลขาเลขาสภาพัตนะออท่านก็ถามว่าลูกตา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 อแล้วก็ตี้วเข้มพวกพ่อค้าอย่างคุณจมบัตรนี่แหะหรือให้เป็นตัวของตัวเอสมมติ ว, ว่าอย่างข้าวอย่างนี้ย อ, อข้า ว, วพ่อมาทำนาไล้ขายข้าวเวียดนามขาย ข, ข้าวเขมรขายข้าวเมืองไทยของเราเนขายข้าวแข่งเขาแข่งกับเด็ก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 ลองเพื่อเมืองไทยของเราน่าจะเป็นพี่เบิ่มของเขาเอาไม่น่าจะจะเป็นแข่งือกับเด็กที่มันเกิดใหม่มันก็เป็นศัตรูกันรอบบ้านรอบเมืองทั้งหมดเลยีพรอะไล่ะเพราะเราเป็นศัตรูของเขาเออเราน่าจะเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นําเขามันจึงจะถูกจริงไหนที่เราพอจะเสียเปียกเพรฝั่งกขาเสียเปียกเพราะบ้างอย่าไปเอาเปียบเพาจนเกินไปเออหลงพ่อว่านะเออ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 ท่านาได้พบกับท่านนะได้พบกับท่านประยุทธ์กับคณะนะบอกท่านด้วยนะหลวงพ่ อ, ส, อสั่งคำมาหาบอกว่านี่มีพระป่าองค์หนึ่งแต่หลวงพ่อ เ, เป็นรุ่ น, เ ป, น, นเป็นรุ่นพี่นะท่านประยุทธ์เพียง6กกว่าปีแต่หลวงพ่อเนี่ยเจดิกว่าปีแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยปเป็นพี่เป็นหลวงพี่กันแล้วกันนะ<ม>สั่งไปหาบอกว่าบริหารมาแล้วะถูกระดับ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 การบริหารประเทศเนี่ยเรามาข่าวเนี่ยมาเพื่อใครมาเพื่อในหลวงมาเพื่อประเทศชาติอขอให้ทํางานด้วยความตั้งใจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในป่าในโด่งเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยลูกพี่เนี่ยหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่อินเนี่ ย, ยบอกท่านด้วยนะการทํางานอย่าลืมตัวออย่าลืมตัวอถ้าลืมตัวแล้วไม่ดี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 เออเราจะดูชูฮาโต้หรือมหาเถเราเดินได้ทั้งนั้นพอานั้นสรุปแล้วหลวงพี่ขอเตือนอย่าลืมตัวการทํางานทําด้วยความมริสุทิ์ใจเราทํางานเพื่อในหลวงลําทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจึงเข้ามาในเมื่อเข้ามาเราจะทําดีที่สุดอย่าให้มีปัญหาอยจะมีทิศ อยากจะให้มีที่รับอยาให้มีที่แย่งถึงท่านอ อ, ออกไปถึงจะจะไม่มีเงินก็เถอะท่านจะไม่ได้ขอรับชั้นก็เถอะในเมื่อท่านออกไปแล้วท่านจะไปอยู่นสถานที่ใดพี่น้องประชาชนคนไทย ท, ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะยกม้วนไหว้ท่านตลอด อ, อท่านก็จะเชิดหน้าชูตาในทุก ห, หัวแหลแหงของประเทศชาติไม่ดีกว่าเหรอเ อ, อลูกหลานของท่านไม่ต้องกล่ออดหรอก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 อำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอาหารการบริโภคอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้คือเงินเี่ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเงินก็ส่งถึงโรงพยาบาลเนแปลว่าสุดท้ายขั้นสุดท้ายแหละอำนวยความสะดวกเหล่านี้กับเป็นพื้นฐานพอส่งถึงโรงพยาบาลอ้าว หายกลับมาอีกเจ็บได้ป่วยอีกสงเคราะห์โรงพยาบาลอีกออแล้วก็หายกลับมาอีกป่วยเข้าไปส่งโรงพยาบาลอีกหลายครั้งต่อหลายคนผลในสุดไปนอนอยู่โรงพยาบาลพอไปนอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าสายอะไรอีดุงตูงนังไปหมดเลยผลในสุดก็หมอออกไม่ไหวรักษาไม่ไหวอายุมากแล้วโรคมากบรุมมะตุ่มผลในสุดก็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 โกหินาโถโปรซิยา ah. คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปในเมื่อเราออกจากร่างนี้แล้วเนี่นแหละบุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเป็นผู้เข้ามาเพื่อกูณหนุดถ้าเราทำบุญบุญจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทำบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของเรา เ, น, เ, าาเนี่ยแหละบุญกับบาปจะเป็นเพื่อนสอง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 ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้มาจากประเทศไหนอย่างดีที่อยู่รู้หละลุงหล ะ, ะขนาดไหนคนในเมื่อเราแก่เท่าฉลา70จ0ดสิปบแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นผมขาวแล้วจะเห็นฝันหลุดเดี๋ยวจะเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวจะเห็นหูตึงเดี๋ยวจะเห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวจะเห็นหลังค้องเดี๋ยวก็ได้ใช้ไม้เท้าจากนั้นก็ไปนอนโรงพยาบาล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 เป็นโลกไปเกิดที่ลูกผู้ที่ร่ำรวยไม่ได้เพราะลเพราะบุญของเรามันน้อย เ, อเราอาจจะไปเกิดสมฐานะสมกับเงินของเรานี่แหละท่านว่าบุญปุญญาณิปละโล ก, กัสมิงปฏิษฐานะติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ประกอบพูดงามความดีเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอ